ลำดับนั้นพระมหาสัตทุลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาผู้ใหญ่ขอพระองค์ตรัสอะไรขึ้นชื่อวามารุษที่เห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปไม่มีในหิมมวันตะประเทศนี้แล้วทูลว่าจำเดิมแต่ข้าพระองค์จำความได้รู้จักถูกและผิดฟูงมารุษในป่าแม้ดุร้ายก็ไม่สะดุ้งกลัวข้าพระองค์ จำเดิมแต่ข้าพระองค์นุ่งผ้าเปลือกไม้ตั้งอยู่ในปฐมวัยฝูงมารึกในป่าแม้ดุร้ายก็ไม่สะดุ้งกลัวข้าพระองค์ข้าแต่พระราชาฝูงกินนอนผู้ขลาดอยู่ภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวเราทั้งหลายต่างชื่นชมต่อกันไปสู่ภูเขาและป่าเมื่อเป็นเช่นนี้มารึกทั้งหลายจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุไร บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าฟูงมรึกข่าพระองค์ณนะมังมิคาความว่าธรรมดามารึกทั้งหลายเห็นข่าพระองค์แล้วย่อมไม่สะดุ้งกลัวคำว่าดุร้ายสาปธานิได้แก่สัตว์ร้ายคำว่าจำเดิมแต่เปลือกไม้ยะโตนิทิงความว่า จำเดิมแต่การที่ข้าพระองค์นุ่งคือทรงผ้าเปลือกไม้ข้อว่าข้าแต่พระราชาผู้ใหญ่มรึกทั้งหลายจงยกไว้ก่อนธรรมดากินนอนทั้งหลายย่อมเป็นผู้ขลาดอย่างยิ่งกินนอนเหล่าใดอยู่ที่ภูเขาคันธรมารนี้กินนอนแม้เหล่านั้นเห็นข้าพระองค์แล้วย่อมไม่สะดุ้งกลัวพวกเราชื่นชมต่อกันและกันไปตามป่าเขาลำเนาไพรโดยแท้แล ข้อว่ามารุษทั้งหลายจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์อุตตราสันติมิคามะมังความว่าพระมหาสัตว์แสดงความว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงจักให้ข้าพระองค์เชื่อว่ามารุษทั้งหลายเห็นข้าพระองค์แล้วสะดุ้งกลัวพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงดำริว่า เรายิงสุวรรณสามผู้ไร้ความผิดนี้แล้วยังกล่าวมุสาวาตอีกเราจะกล่าวคำจริงเท่านั้นดังนี้แล้วจึงตรัสว่าแนสามะเนื้อเห็นท่านแล้วหาได้ตกใจไม่เรากล่าวอัมพรางแก่ท่านดอกเราถูกความโกรธและความโลภครอบงําแล้วจึงยิงท่านด้วยลูกศร น, นั้นบรรดาคำเหล่านั้น คำว่าเห็นท่านแล้วหาตกใจไมนณะตัทศะความว่าเนื้อเห็นท่านแล้วไม่ตกใจคำว่าเรากล่าวอัมพรางแกท่านดอกกินตาหังความว่าเรากล่าวเทจในสำนักของท่านผู้มีทัศนะงามยางนี้ดอกคำว่าเราถูกความโกรธและความโลภครอบงำแล้วโกทะโลพาภิภูตาหัง ความว่าเราเป็นผู้อันความกโกรธและความโลภครอบงำแล้วก็เมื่อเนื้อทั้งหลายข้ามลงก่อนแล้วนั่นแลเราจะยิงเนื้อทั้งหลายเพราะความกโกรธเรายืนยกธนูอยู่ภายหลังได้เห็นพระโพธิสัตว์จึงไม่รู้ว่าพระโพธิสัตว์นั้นเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาเทวดาเป็นต้นจากถามพระโพธิสัตว์นั้น พระราชายังความโลภให้เกิดขึ้นด้วยประการชนนี้ฉะนั้นจึงตรัสอย่างนี้ก็แลครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระราชาทรงดำริว่าสุวรณสามนี้จะมิได้อยู่อาศัยในป่านี้แต่ผู้เดียวเท่านั้นญาติทั้งหลายของเขาพึงมีแน่จักถามเขาดูจึงตรัสคาถาอีกว่าน่สามะท่านมาแต่ไหน หรือใครใช้ท่านมาว่าจงไปแม่น้ำนําน้ํามาจึงมาสู่แม่น้ํามิฆะสั ม, มตาบรรดาคําเหล่านั้นพระราชาตรัสเรียกพระโพธิสัตว์ด้วยคําว่าสามะคําว่ามาอาคัมมะความว่าจะประเทศไหนมาสู่ป่านี้คําว่าหรือใครใช้ท่านมากัตสะว่าปหิโตความว่า ท่านถูกใครส่งไปด้วยคำว่าจงไปสู่แม่น้ำเพื่อนำน้ำแก่พวกเราดังนี้จึงมายังแม่น้ำมิขะสัมมตานี้